บทภาชณีที่ชื่อว่าอุตริมนุสธรรมได้แก่ฌานวิโมกสมาธิสมาบัติญาณทัศนะมัคคภาวนาการทําผลให้แจ้งการละ ก, กิเลสภาวะที่จิตปลอดจากกิเลสความยิน ด, ดีในเรือนว่างคําว่าฌานได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานคําว่าวิโมกได้แก่สุญญาตาวิโมกอนิมิตาวิโมกขปัญหิตะวิโมก คำว่าสมาธิได้แก่สุญญาสมาธิอนิมิตตสมาธิอภปนหิตาสมาธิคำว่าสมาบัติได้แก่สุญญาสมาบัติอนิมิตตสมาบัติอภปนหิตสมาบัติคำว่ายานทัศนะได้แก่วิชาสามคำว่ามรรคภาวนาได้แก่สติปทานสสมปทานสอิทธิบาท4อินทรี่ห้พระหโพชฌงเจ็อริยมรรคมีองค์8คำว่าการทําผลให้แจ้งได้แก่ การทำโซดาปฏิพลให้แจ well, ้งการทำสักทาคามิผลให้แจ้งการทำอนาคามิผลให้แจ้งการทำอรหัตผลให้แจ้งคำว่าการละกิเลสได้แก่การละราคะการละโทสะการละโมหะคำว่าภาวะที่จิตปลอดจากกิเลสได้แก่ภาวะที่จิตปลอดจากราคะภาวะที่จิตปลอดจากโทสะภาวะที่จิตปลอดจากโมหะคำว่าความยินดีในเรือนว่างได้แก่ ความยินดีในเรือนว่างด้วยปทมะชานความยินดีในเรือนว่างด้วยทุติยชานความยินดีในเรือนว่างด้วยตติยชานความยินดีในเรือนว่างด้วยจตุทะชานกล่าวอวดปทมะชาน71็ดสคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปปัสสมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปทมะชานแล้วต้องอบัติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปปัสมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปทมะชานอยู่ต้องอบัติปาจิต hmm> ตี คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบทว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าปฐมฌานแล้วต้องอบัตติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสมบทว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานต้องอบัตติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสมบทว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญในปฐมฌานต้องอบัตติปาจิตตีคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบทว่า ข้าพเจ้าทำปฐมฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปลายจิตตีบอกทุติยฌานจตุตฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมฐันว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าตติยฌานจตุตฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้จตุตฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำจตุตฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปลาจิตตี บอกสุญญต่าวิโมกอัปันหิตะสมาธิคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบาลว่าเขาพเจ้าเข้าสุญญต่าวิโมกแล้วเขาพเจ้าเข้าอนิมิตตะวิโมกอัปันหิตะวิโมกสุญญตาสมาธิอานิมิตตะสมาธิอัปันหิตะสมาธิแล้วเขาพเจ้าเข้าอยู่เขาพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วเขาพเจ้าเป็นผู้ได้อัปันหิตะสมาธิเขาพเจ้าเป็นผู้ชำนาญเขาพเจ้าทำอัปปนหิตะสมาธิให้แจ้งแล้ว ต้องอ บ, บัตตปาจิตตีบอกสุญญติสมาบัติอภันิหิตาสมาบัติคำว่าบอกคือภิกษูกล่าวแก่อนุปสมบัตว่าข้าพเจ้าเข้าสุญญติสมาบัติอานิมิตตสมาบัติอภันิหิตาสมาบัติแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อภันิหิตาสมาบัติข้าพเจ้าเป็นผู้ชํานาญข้าพเจ้าทำอภันิหิตาสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตี บอกวิชาสามคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันิว่าเขาพเจ้าเข้าวิชาสามแล้วเขาพเจ้าเข้าอยู่เขาพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วเขาพเจ้าเป็นผู้ได้วิชาสามเขาพเจ้าเป็นผู้ชํานาญเขาพเจ้าทำวิชาสามให้แจ้งแล้วต้องอบัตรปาจิตตีบอกสติปัฏฐาน4ี่อิทธิบาท4ี่คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันิว่าเขาพระเจ้าเข้าสติปัฏฐานสี่สมมติฐานสี่ อิธิบาตสีแล้วเขาพเจ้าเข้าอยู่เขาพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วเขาพเจ้าเป็นผู้ได้อิธิบาท4ี่เขาพระเจ้าเป็นผู้ชำนานเขาพระเจ้าทำอิทธิบาตสีให้แจ้งแล้วต้องอบัตรปาจิตตีบอกอินทรีห้าพละห้าคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันิว่าเขาพเจ้าเข้าอินรีย์าพะละหแล้วเขาพเจ้าเข้าอยู่เขาพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วเขาพเจ้าเป็นผู้ได้พระละห ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำพระละห้าให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกโพชชงเจตคำว่าบอกคือภิกษุบอกแกอนุปัสมบันว่าข้าพเจ้าเข้าโพชชงเจตแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้โพชชงเจตข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำโพธชงเจตให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกอริยมรรคมีองค์8คำว่าบอกคือ ภิกษุกล่าวแก่อุปสัมบันิว่าข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์8ดแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อริยมรรคมีองค์8ปดข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำอริยมรรคมีองค์8ดให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกโซดาปฏิผลอารหัตตผลคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสมบันิว่าข้าพเจ้าเข้าโซดาปฏิผลกทาคามิผลอนาคามิผล อรหัตผลเขาพเจ้าเข้าอยู่เขาพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วเขาพเจ้าเป็นผู้ได้อรหัตผลเขาพระเจ้าเป็นผู้ชํานาญเขาพเจ้าทำอรหัตผลให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกการสละราคะโทสะและโมหะคําว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าเขาพระเจ้าสละราคะแล้วเขาพระเจ้าสละโทสะแล้วเขาพเจ้าสละคายพ้นและสลัด เพิกถอนโมหะขึ้นแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกว่าจิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานจะตัวฌานในเรือนว่างคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌาน ตติยะฌานจะตุตฌานในเรือนว่างแล้วเขาพระเจ้าเข้าอยู่เขาพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วเขาพเจ้าเป็นผู้ได้จะตุตฌานเขาพระเจ้าเป็นผู้ชำนานเขาพเจ้าทำจะตุตฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและทุติยะฌาน72คําว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อโนปสัมบันว่าเขาพระเจ้าเข้าปฐมฌานและทุติยะฌานแล้วเขาพระเจ้าเข้าอยู่เขาพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้ว ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและทุติยฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและทุติยฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและตุติยฌานจตุติฌานคำว่าบอกคือเพิกษูกล่าวแก่อโนปสัมบันฑว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและตุติยฌานปฐมฌานและจะตุติฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและจะตุติฌานแล้ว ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและจตุจารย์ให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและสุญญตาวิโมกอัปนนหิตะสมาธิคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปปัสมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตาวิโมกอนามิตตาวิโมกอัปนนหิตะวิโมกสุญญตาสมาธิอณิมิตตสมาธิอัปนนหิตะสมาธิแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่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 ข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอัปนิหิตะสมาบัติข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนานข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอัปนิหิตะสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตติบอกปฐมฌานและวิชาสามคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปปัสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและวิชาสามแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้ว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 ข้ า, า, นานพ เ, าพาเพจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอิทธิบาทสให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและอินทรีห้าพลห้าคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสะสมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอินทรีย์าพลห้แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและพลห้าข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและพลห้ให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตี บอกปฐมฌานและโพธชงเจ็ดคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันิว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและโพธชงเจ็แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและโพธชงเจ็ดข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและโพธชงเจ็ดให้แจ้งแล้วต้องอบัตปาจิตตีบอกปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8ปดคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันิว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8ดแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8ปดข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8ดให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานและโซดาปฏิพนรหัตผลคำว่าบอกคือพิกษูกล่าวแก่อนุปสัมบันิว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและโซดาปฏิผล สักระทาคามิผลอนาคามิผ uh ล um ok ah อรหัตผลเขาพระเจ้าเข้าอยู่เขาพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วเขาพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอรหัตผลเขาพเจ้าเป็นผู้ชำนาญเขาพระเจ้าทำปฐมฌานและอรหัตผลให้แจ้งแล้วต้องบัดปาจิตตีบอกปฐมฌานสละราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อโนปสัมบัญว่าเขาพระเจ้าเข้าปฐมฌานเขาพเจ้าสละราคะ ข้าพเจ้าสลัดโทสะแล้วข้าพเจ้าสละคาย่พ้นและสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกปฐมฌานจิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะ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 ข้าพเจ้าทำทุติยฌานและจตุติฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาจิตตีบอกทุติยฌานและสุญญตาวิโมกคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อุปสัมบันิว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและสุญญตาวิโมกแล้วและจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะต้องอบัติปาจิตตีบอกทุติยฌานและปฐมฌานคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันิว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและ ปฐมฌานแล้วเขาพเจ้าเข้าอยู and and like ่เขาพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วเขาพระเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌานและปฐมฌานเขาพเจ้าเป็นผู้ชำนาญเขาพเจ้าทำทุติยฌานและปฐมฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปารจิตตีวงเล็บมูลในท่านย่อไว้แล้วบอกว่าจิตปลอดจากโมหะและปฐมฌานคาว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าจิตของเขาพเจ้าปลอดจากโมหะและเขาพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้ว ข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและข้าพเจ้าทําปฐมฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัติปลาจิตตีบอกว่าจิตปลอดจากโมหะและโทสะคําว่าบอกคือพิกษูกล่าวแก่อนุปสมบันิว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะและจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะต้องอบัติปลาจิตตี บอกปฐมฌานจิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือภิกษูกล่าวแก่อนุปสัมบัตวาา่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสุญญตาวิโมกอนิมิตาวิโมกอั ป, ปนหิตาวิโมกสุญญาตสมาธิอานิมิตสมาธิอัปนิหิตสมาธิสุญญาตสมาบัติอานิมิตสมาบัติอั ป, ปนิหิตสมาบัติวิชาสามสติปัฏฐานสี สมปรปทาน4อิทธิบาท4อินสีห้าพลห้าโพชฌงเจ็ดระยะมากมีองค์8โสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลขขาพเจ้าสละราค่าแล้วขขาพเจ้าสละโทสะแล้วและสละคายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วต้องอบัติปาจิตตีวัตถกุกามวารกถา ประสงค์จะบอกปทุมะชาญ74็ดสคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสมบัตว่าข้าพเจ้าเข้าปทุมะชาญแล้วแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยชาญแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัติปาจิตติเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกดประสงค์จะบอกปทุมะชาญจิตปลอสจากราคะโทสะและโมหะคำว่าบอกคือ ภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัรมบัญว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌ า, านแล้วแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าตติยะฌานจตุตฌานสุญญตาวิโมฯอนิมิตะวิโมฯอปปนิหิตะวิโมฯสุญญติสมาธิอนิมิตะสมาธิอปปนิหิตะสมาธิสุญญติสมาบัติอนิมิตะสมาบัติอปปนิหิตะสมาบัติวิชาสามสติปทานสี่สัมมาปทานสอิทธิบาท4อินสี่ห้า พระห้าโพชชงเจ็ริ่มากมีองค์8โสดาปฏิผลดสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลแล้วเขาไปเจ้าสลัราค่าแล้วเขาไปเจ้าสละโทษาแล้วและข้าไปเจ้าสลคตไข่ผลและสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัตปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัตทุกกดประสงค์จะบอกทุติยชานจิตปลอดจากโมหะ คำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบัญว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยชาแล้วแต่กล่าวว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฎประสงค์จะบอกทุติยชาคำว่าบอกคือภิกษุต้องการจะกล่าวแก่อนุปสัมบัญว่าข้าพเจ้าเข้าทุติยชาแล้วแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมชาแล้วเมื่อผ um ู้อื <im> ่นเข้าใจ ต้องอบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฎวงเล็บมูลในท่านย่อไว้แล้วประสงค์จะบอกว่าจิตปลอดจากโมหะคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุภสัมบันิว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฎคำว่าบอกคือภิกษุต้องการจะกล่าวแก่อนุภสัมบันิว่า จิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะแต่กล่าวว่าจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัตรปาจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัตรทุกกฎประสงค์จะบอกปฐมฌานคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปสัมบันว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตตวฌานแล้วจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะแต่กล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้ว เมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัติปารจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฏประสงค์จะบอกทุติยชานคำว่าบอกคือภิกษุประสงค์จะกล่าวแก่อนุปภาษัมบันว่าเขาพระเจ้าเข้าทุติยชานตติยชานจะตัวติยชันแล้วจิตของเขาพระเจ้าปลอดจากโมหะแต่กล่าวว่าเขาพระเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วเมื่อผู้อื่นเข้าใจต้องอบัติปารจิตตีเมื่อเขาไม่เข้าใจต้องอบัติทุกกฏบอกว่าภิกษุอืออ่นเข้าปฐมฌาน 75็ดาคำว่าบอกคือภิกษุกล er. oui. ah ่าวแก่อ <reputation> น <ges uckles> ุปสมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าปฐมฌานแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ปฐมฌานภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชํานาญภิกษุรูปนั้นทําปฐมฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัตทุปกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าทุติยฌานคำว่าบอกคือ ภิกษุกล่าวแก่อนุปะสำบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ทุติยฌานภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนานภิกษุรูปนั้นทำจตุตฌานให้แจ้งแล้วต้องอบัตภุกกดบอกว่าภิกษุอื่นเข้าสัญญตาวิโมก คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันิว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าสัญญาวิโมกอานิมิตตาวิโมกอัปปนิหิตาวิโมกสัญญาสมาธิอานิมิตตาสมาธิอัปปนิหิตะสมาธิแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้อัปปนิหิตะสมาธิภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำอัปปนิหิตะสมาธิให้แจ้งแล้ว ต้องอาบัติทุกกฏบอกว่าภิกษุอื่นเข้าสัญญตะสมาบัติคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อโนภาสัมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าสัญญตะสมาบัติอนิมิตะสมาบัติอัปนิหิตะสมาบัติแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้อัปนิหิตะสมาบัติภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญ ภิกษุรูปนั้นทาอนิิตะสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอบัตทุกกฎบอกว่าภิกษุอื่นเข้าวิชาสา3คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวอวดอนุปสมบันว่าภิกษุรูปใดอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าวิชาสา3สติปัฏฐานสสมปทาน4อิทธิบาท4อิน 5, 5, 7, รีหพละหโพชฌงเจ็เรียมากมีองค์8โสดาปฏิพันธสกทาคามิผลอนาคามิผล และอรหัตผลแล้วพิกษุรูปนั้นเข้าอยู่พิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วพิกษุรูปนั้นสละราคะแล้วพิกษุรูปนั้นสละโทสะแล้วพิกษุรูปนั้นสละข่ายพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วจิตของพิกษุรูปนั้นปลอดจากราคะจิตของภิกษุรูปนั้นปลอดจากโทสะจิตของพิกษูรูปนั้นปลอดจากโมหะต้องอบัตทุกกดบอกว่าพิกษุอื่นเข้าปฐมฌานในเรือนว่าง คำว่า บ, บอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบันิว่าภิกษุรูปใดยอยู่ในวิหารของท่านภิกษุรูป น, นั้นเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานในเรือนว่างแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูป น, นั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชํานาญภิกษุรูปนั้นทำจตุตฌานให้แจ้งในเรือนว่างแล้วต้องอบัตรทูปกดบอกว่าภิกษุอื่นเข้าจตุตฌานในเรือนว่าง คำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อุปสมบันิว่าภิกษุรูปใดใช้สอยจีวรของท่านภิกษุรูปใดฉันบิณฑบาตของท่านภิกษุรูปใดใช้สอยเสนาสนะของท่านภิกษุรูปใดบริโภคกิรานุปัจจัยเภสัชบริขารของท่านภิกษุรูปนั้นเข้าจตุตจาในเรือนว่างแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทําจตุตจาให้แจ้งในเรือนว่างแล้ว ต้องอบัตทุกกฎ76คําว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อุปสัสมบันว่าวิหารของท่านภิกษุรูปใดใช้สอยแล้วจีวรของท่านภิกษุรูปใดใช้สอยแล้วบิณฑบาตของท่านภิกษุรูปใดฉันแล้วเสนาสนะของท่านภิกษุรูปใดใช้สอยแล้วทิลานัปัจจัยพิสัทธบริขารของท่านภิกษุรูปใดบริโภคแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าจตุจัานในเรือนว่างแล้วภิกษุรูปนั้นเข้าอยู่ ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้เข้าแล้วภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ชำนาญภิกษุรูปนั้นทำจตุชานให้แจ้งในเรือนว่างแล้วต้องอบัติทุกกรธคำว่าบอกคือภิกษุกล่าวแก่อนุปสัมบัญว่าท่านอาศัยภิกษุรูปใดแล้วได้ถวายวิหารได้ถวายจีวรได้ถวายบินทบาทได้ถวายเสนาสนะได้ถวายกีฬาณปัจจัยเภสัชบริขารภิกษุรูปนั้นเข้าแล้ว กำลังเข้าเป็นผู้เข้าจตุตชาในเรือนว่างภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ได้เป็นผู้ชำนาญทำให้แจ้งจตุตชาในเรือนว่างแล้วต้องเอาบัตรทุกกฎ